ถ้าจิตส่งออกทําให้ไม่สงบให้ความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ฝ่าเท้ากระทบพื้ น, นทุกอย่างก้าวให้ทับสัมผัสได้ว่าฝ่าเท้ากระทบพื้นเมื่อสงบนิ่งดีแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเดินพ่อเดินตั้งมั่นเฝ้ามองสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ไม่พิจารณาไม่ตัดสินสมาธิตั้งมันสงบนิง่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองมองกว้างๆมองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ้องมองไม่ต้องเพ่งดู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 มายืนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆก็บอกไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเขาก็สร้างอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่กระทั่งความเมื่อยความเจ็บปวดความเบื่ออะไรเนี่ยนะมาครอบงำสตินะทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธินะถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้ อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันมันนะถ้าไม่รู้เท่าทันปุ๊บอารมณ์นั้นจะส่งผลให้เรารู้สึกทุกข์เราใช้คำว่าชั่วโมงนี้อ่ะยืนเดินนั่งนอนทรมานที่สุดเห็นไมกิเลสมันบอกว่าทรมานที่สุดเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราทำเราไม่ได้ทำอะไรเลยไ ม, ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเห็นไมมันจะไปเมื่อยได้ยังไงเห็นไหนะกิเลสเขากลัวมาก ที่เรามายืนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเขากลัวว่าเราจะเห็นกิเลส ช, ชัดขึ้นนะถ้าเราเห็นกิเลสปุ๊บเนี่ยเขาจะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปนะ ห, นหม้ยเรื่องที่ง่ายที่สุดง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทํา ใ, ใดๆทั้งนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะกิเลสมันไม่ชอบ วิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังมีการกระทําอยู่การกระทําโดยการฝึกมีการกำหนดนะมีการคิดพิจารณานะวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนั้นมันเป็นคิดเอานึกเอาเป็นวิปัสนึกนะหยุดสร้างกรรมทั้งปวงนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม อริยบทเดินเป็นกิริยาไม่เนื่องด้วยเจตนาไม่ใช่กรรมเดินพอเดินนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินนะคำว่าสงบไม่ได้ไปว่างเงียบสงบเงียบเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับเรานะจิตต้องสงบนิ่ง นิ่งก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนตอมาอย่างเดียวนะนิ่งอยู่กับการเดินนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกๆอริยบทนะทุกๆกิริยานะเป็นหนึ่งเดียวกับมันเรียกว่านิ่งนะถ้าเดินไปด้วยคิดไปด้วยนึกไปด้วยเนี่ยอันนี้มันไม่นิ่งนะมันไม่เฉยนะมันทําหลายๆเรื่องพร้อมกันเพราะความอยากอันนี้เป็นกิเลสนะปัญญาจะไม่เกิดนะ เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องมีการกระทำอะไรเลยแค่ยือนอยู่เฉยเฉยเดินอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยเฉยนอนอยู่เฉยเฉยเห็นไหมต่กิเล่ ม, มันบอกยากยากทรมานทรมานเห็นไหมมันจะมีข้ออ้างนะเออจริงๆแล้วมันเบื่อมันมันเมื่อยนะเราเห็นมันก็จบ มันเบื่อเราก็เห็นมันเมื่อยเราก็เห็นนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะความทุกข์เป็นสตัรรมสจธรรมอย่างยิ่งนะเรามีทุกข์เป็นประธานความสุขต่างหากที่ไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาทีนี้ ไอ้ที่ไม่ทุกจริงๆเราไปคิดเราไปหลงมันเราก็ทุกนั่นอันนี้ก็เป็นมายาเหมือนกันนะไอ้ทุกจริงๆมันเป็นทุกขังทุกอย่างมันดำรงอยู่ได้ยากถ้าเราสู้ความฟุ้งซ่านไม่ได้มันคิดไม่เลิกมันเป็นกิเลสเป็นกรรมที่เราฝึกให้เราเป็นนักคิดเขาก็ต้องคิดเป็นเรื่องธรรมดานะเขาก็เป็นไปตามกรรมทีนี้ถ้ากําลังของจิตเรามันไม่พอสู้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องสู้นะไม่ต้องสู้ก็หาที่เกาะก่อนนะเหมือนปลามันว่ายทวนกระแสมันไม่ประมาทนะมันฝึกทวนกระแสมันก็มีความแข็งแรงสามารถทวนกระแสได้แต่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุคือว่าน้ำป่ามันแรงมากนะกำลังที่มันมีอยู่มันทวนกระแสไม่ได้มันก็ต้องหาที่เกาะจิตเราก็เหมือนกันนะเด็กเด็ก ยังพึ่งตนเองไม่ได้ต้องเกาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะเราก็ไปหาที่เกาะเอาความรู้สึกเราไปจับที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นไม่ต้องท่องบนไม่ต้องไปติดที่คำบริกรรมแล้วอันนั้นช่วงฝึกส ม, มถากรรมฐานเราสร้างคำบริกรรมขึ้นมานะเพื่อเป็นอุบายนะทำให้จิตไปเกาะอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เราไม่ให้ฝึกช่วงเดินทางแต่ระหว่างทางเราเจอ เจออารมณ์แรงๆคือน้ำป่ามันมาเนี่ยแล้วก็หาที่เกาะปลามันก็ไปอยู่ใต้โคนไม้อยู่ใต้โขดหินเออเรากำลังเดินอยู่แล้วก็เจอไออารมณ์แรงๆขึ้นมามันคิดไม่เลิกไม่แล้วเนี่ยฟุ้งซ่านมากเลยมันเป็นกรรมของเราที่นี้เราก็หาที่เกาะก่อนฝ่าเท้ากระทบพื้นก็รู้เออรู้รู้รู้รู้เมื่อมันสงบนิ่งดีแล้วไม่ต้องเกาะอะไรเลยมาอยู่ที่ตั้งมั่น สงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะต้องทำให้มันชนานาญนะพอเราทำชำนานาญแล้วเนี่ยต่อไปชีวิตจริงเราข้างนอกเนี่ยอะไรมากระทบเราก็ไม่กระเทือนนะเพราะเราฝึกมาแล้ว ฝึกมีสองระดับระดับสัมมาถากรรมาฐานมาเรากำลังฝึกฝนฝึกฝนนะส่วนฝึกระดับวิปัสสนาก็คือว่าลงสนามเลยนะเออตอนลงสนามไม่มีเวลาฝึกละแค่มันไม่ไหวก็เกาะชั่วคราวนะไม่ใช่ฝึกสติไม่ใช่ฝึกสมาธิเรากำลังจเจริญมรรคจิตใช้สมาธิที่เรามีอยู่เนี่ย นะเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสติเขาก็ตื่นรู้เองอถ้าท่านใดเคยฝึกส ม, มถากรรมฐานนะเราต้องใช้สตินำทำให้มันเกิดสมาธิแต่ขั้นตอนเจริญมรรคจิตเนี่ยต้องใช้สมาธินำสติก็ตามมาสติมันเป็นแค่กำลังของสมาธินะ มักมีองแปดมักมีองแปดเห็นชอบดําริชอบเป็นส่วนของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นส่วนของศีลความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นส่วนของสมาธินะสติเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิไม่ใช่ตัวพระเอกนะ แต่เราต้องเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งในแปดวก็ต้องใช้เขาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นรู้เห็นแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไม่ใช่เหวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่ไปสู้กับอารมณ์นั้นนะคาว่าเหวี่ยงทิ้งเนี่ยเป็นการเตือนให้จิตเราเนี่ยอย่าไปหลงติดอารมณ์นั้นเหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นความหลงทิ้งอย่าไปติดมันผ่านไปผ่านไป ส่วนผ่านไปแล้วมันยังอยู่อยู่ในี่ก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่เตือนเราเวียงทิ้งไปเรื่อยๆเวียงทิ้งไปเรื่อยๆนะ อ, อ, อย่าไปอยากให้มันหมดไวๆนะหมดไปๆเดี๋ยวไม่มีของเล่นนะ <c oughs> ถึงมันจะหมดก็ช่างเดี๋ยวไอตัวใหม่มันก็มานะเออมันหมดก็ช่างมันไม่หมดก็ช่างมันยังอยู่เราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการเวียงทิ้งของเราอารมณ์ดี <c oughs> ก็เวียงทิ้งนะไม่ใช่เวียงอารมณ์ดีทิง้งเวียงความหลงอารมณ์นั้นทิง้งนะอารมณ์ร้ายก็เวี่ยงทิง้งไม่ใช่เวียงอารมณ์ร้ายทิง้งเวียงความหลงติดอารมณ์ร้ายสังเกตถ้าเราไปติดมันปุ๊บอารมณ์ร้ายนี่เราก็รู้สึกทุกข์ถ้าไปติดอารมณ์ดีก็รู้สึกสุขอีกมันก็เป็นมายาอย่างหนึ่งเนาะ <S <S สิ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดนะ ง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทําใดใดทั้งนั้นนะกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะกิเลสมันกลัวนะมันจะสร้างอารมณ์อะไรอะไรต่างๆขึ้นมาขวางกั้นทางเดินของจิตไม่ให้จิตมันเนี่ยมีสติรู้เท่าทันกิเลสแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยนะก็เหมือนว่าเรา ผ่านการทดสอบแล้วเราก็ได้อันนี้สง์มากที่สุดนะมากที่สุดเช่นเดียวกันนะอะไรที่มันง่ายๆเราทำได้เราก็อันนี้ได้อั น, นิ้สง์น้อยไงเห็นไหมอะไรที่มันยากๆถ้าเราผ่านการทดสอบแล้วเราก็ได้อันนี้สง์มากมันเป็นธรรมชาตินะอริยบทนั่งคือกรรมาฐานของเรา นะดำเนินไปด้วยความว่างว่างจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงว่างจากสมมุติบัญญัติทั้งหลายทั้งสิ้นปล่อยวางหัวโขนไว้ชั่วคราวคืนอิสระภาพให้กับจิตเราวางความเป็นตัวตนของเรานะไม่มีผู้นั่งกับสิ่งที่ถูกนั่ง มีแต่การนั่งนะมีแต่การนั่งคำว่าเอกคตาลมเนี่ยนะมีอารมณ์เดียวคือสงบอุเบกขาไม่มีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเข็นไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะจิตคือรู้อยู่แล้วเขาคือตัวรู้นะ อะไรเกิดขึ้นเขาก็รู้รู้โดยธรรมชาติรู้ก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมนะถ้าพิจารณาถ้าคิดปุ๊บมีผู้เห็นมีผู้รู้มีผู้พิจารณามีผู้ตัดสินนะตัวตนเราก็เกิดขึ้นนั่งเราอนั่งไม่มีเป้าประสงค์ นะไม่ใช่ว่าอยากนั่งเพื่อให้มันสงบถ้าเรามีวัตถุประสงค์นะถ้าความสงบมันไม่เกิดขึ้นมันจะสร้างอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจนะเราไม่มีวัตถุประสงค์อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เบื่อเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่มีความรู้สึกว่าจะรังเกียจมันนะเอออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เบื่อมีประโยชน์ นะเขาเหมือนเครื่องมือมาสอบเราว่าเราทันไหมแต่ถ้าเรามีเป้าประสงค์ว่าเราจะสงบแล้วก็เกลียดชังอารมณ์พวกนี้มันทําให้เราไม่สงบนะมันจะมีปฏิฆะจิตมันจะต้านนะเราแพ้แล้วเราเผอนะเราไม่ได้นั่งเพื่อให้มันสงบมันสงบก็รู้ก็ไม่ไปติดมันอีก มันไม่สงบเราก็รู้อีกเราก็ไม่ไปติดความไม่สงบนั้นนะเราไม่มีเป้าประสงค์หน้าที่เราคือนั่งก็นั่งอะไรเกิดขึ้นเหมือนชีวิตเราอะไรเกิดขึ้นเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมกิเลสมันไม่ชอบนะแบบนี้มันไม่ชอบเพราะมันหลอกเราไม่ได้เขาจะแย่ให้เรามีอารมณ์ตลอด เขาจะเอาความอารมณ์ดีความสุขนั่นมาหลอกเราด้วยให้เราหลงอารมณ์นั้นเพื่อเราจะได้ไม่เห็นกิเลสนะเขาจะสร้างอารมณ์ต่างๆมารบกวนให้ไม่ให้เราสงบเพราะถ้าเราสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นกิเลสนะแต่ทีนี้เราไม่ได้นั่งเพื่อความสงบเราไม่มีความอยากมันสงบก็เห็นมันไม่สงบเราก็เห็นเห็นหมมันไม่มีผลสำหรับเรา แต่ถ้าเราอยากสงบปุ๊บมันเกิดความพุ้งซ่านไม่สงบปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ชอบเห็นเราก็ตัดสินว่าเราไม่ชอบมันไม่สงบนะไม่มีเป้าประสงค์นะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทําหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความลุดพนในขณะนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือนั่ง ไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆทั้งนั้นไม่ใช่นั่งเพื่ออยากให้มันสงบอยากก็เป็นกิเลสใช่ไหมพอมันไม่สงบปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกข์ไงเพราะมันไม่สมอยากนั่งเพราะถูกบังคับเราไม่อยากนั่งพอเรานั่งปุ๊บไอ้ตัวไม่อยากอะทำให้เราไม่สงบอีกนะเราเรานั่งเพราะนั่งมันเป็นหน้าที่เราก็ทำหน้าที่เราเ อ, อ, อย่างตั้งมั่นอย่างซื่อสัตย์อารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้น เป็นครูทั้งนั้นแหละไม่ใช่ฝ่ายสงบไม่ใช่ฝ่ายความสุขอย่างเดียวนะไอ้ความว้าวุ่นความพุ่งสร้างกังวลใจอะไรเนี่ยความเบนะื่ออันนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคือทำให้เราเห็นมันแล้วก็มันหลอกเราไม่ได้มันเบื่อเราก็เห็นแต่เราไม่ต้องเบื่อตามมันตำรวจก็ไม่จับไม่้องไม่ต้องขอวีซ่าตังหากเราไม่ได้เสียอะไร มันเมื่อยเออเราก็เห็นอีกเห็นไหมเออเราก็แค่ไม่ต้องไเมื่มตามมันก็ไม่เห็นเป็นไรไหมสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอะไรก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้เราไปหยุดอารมณ์ต่างๆอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในไม่ได้มันมีตามธรรมชาติแต่เราฝึกให้เราเนี่ยรู้เท่าทันมันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นต้อต้องพึ่งตนเอง เราเปลี่ยนนิสัยคนอื่นไม่ได้ทาไมเธอคิดอย่างนั้นเธอเนินเป็นอย่างนี้เขาเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแหละเรามีหน้าที่รู้เท่าทันยอมรับความเป็นอย่างนั้นของเขานะไม่ต้องเอามาคิดเพิ่มเติ ม, มคิดปุ๊บเราเองนั่นแหละทุกเพราะเราไม่ได้ดั่งใจเพราะเขาไม่เป็นเหมือนเรานะสัจธรรมความจริงคือมันเป็นนาน า, นาจิตตัง มันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะ เ, <อ>เรามาฝึกให้ตัวเองยอมรับความแตกต่างความแตกต่างไม่ใช้ความผิดไม่ใช่ความผิดนะมันก็เป็นธรรมชาติคนเรามันจะเหมือนกันได้อย่างไรนะถ้าเราเข้าถึงตรงนี้แล้วนี่เราก็อยู่กับใครก็ได้ทุกอย่างมันกระทบลมพัดมามันก็กระทบตัวเรา เราหยุดลมไม่ได้มันเป็นตามธรรมชาติเราไปเดินตากแดดแดดมันก็ถูกตัวเราเราก็รู้เฉยๆเห็นไหแล้วก็รู้ว่าแดดมันมันร้อนเฉยๆอย่าไปร้อนตามมันถ้าเราร้อนใจตามมันเราจะทุกข์เพราะเราเราไม่อยากร้อนเราอยากเย็นมันเป็นของคู่นะเอาเป็นว่าหน้าที่เรามีอะไรเราก็ทำตามหน้าที่เรา อะไรอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเรารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองเพราะเราหยุดมันไม่ได้ถ้าเรารู้เท่าทันปุ๊บเราอย่าเอามาคิดเพิ่มเติมเน่ะแล้วก็ไม่เกิดเวทนาเราก็ไม่เกิดความทุกข์ฝึกโดยไม่ต้องทาอะไรแค่นั่งอยู่เฉย ถ้ามันคิดไม่เลิกแล้วก็บอกว่าเราก็ไปคิดอีกว่าทำไมคิดมากจังไม่ว่าเราก็คิดอีกแล้วเห็นไหมล่ะมันคิดก็ปล่อยมันคิดเราแค่รู้เฉยๆอย่าไปคิดตามมัน ก, ก็จบนะมันเมื่อยแล้วเผลอปุ๊บก็ปไปคิดอีกทำไมมันเมื่อยจังเห็นไหมเราก็ สร้างมโนกรรมอีกก็ไปปรุงแต่งความเมื่อยนั้นก็มีผลสหรับเราท่านอนนะท่านอนไม่ใช่ท่านอนหลับนะผ่อนคลายนะเออมือสองข้างวางไปที่พื้นไม่ต้องไปกอดมันไว้เออไม่ใช่หน้าที่กอดเรามีหน้าที่อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอน ไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นนะอลิยบทนอนเป็นกิริยาไม่เนื่องด้วยเจตนาไม่ใช่กรรมไม่มีวัตถุประสงค์นะหน้าที่เรานอนนอนก็นอนนอนเฉยๆออไม่ใช่นอนด้วยคิดด้วยนึกด้วยอันนั้นมันไม่เฉยนะอันนั้นมันสร้างมโนกรรม นะถ้าเราทำได้แค่นั้นนะ่ะเดี๋ยววิปัสสนามันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะกิเลสมันจะเอามาใช้หมดละนะเพื่อลบกวนทำให้เราไม่สงบทำให้สมาธิเราหลุดนะเราไม่ได้ฝึกสมาธินะเราใช้สมาธิที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับท่านอน เมื่อสมาธิเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติมันก็ตื่นรู้นะสติตื่นรู้ความเพียรก็ตามมานะถ้าเรารู้เท่าทาันอารมณ์ต่างๆนะเรารู้เท่าทันปุ๊บเราก็สงบนะ ถ้าไม่เผอปุ๊บเราก็ไปคิดเพิ่มเติมมันก็เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านกระเพื่มนะถ้าเราทําได้นะเราสงบนิ่งเป็นอุเบกขาได้เนี่ยนะสินคือความปกติของจิตเมื่อจิตไม่แสสายนะอยู่ในความสงบอุเบกขาแล้วเนี่ยนั่นแหะสินมันแสดงตัวละสินคือความปกติของจิตจิตไม่กระเพื่ม จิตมันสงบนิ่งพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญานะเมื่อมันนิ่งนะมันนิ่งแล้วเนี่ยฝุ่นละอองเม็ดนิดนึงร่วงลงมามันก็สัมผัสได้ใบไม้ร่วงลงมามันก็สัมผัสได้นั่นแหละเราก็เห็นหมดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะถ้าเผลอไปคิดปุ๊บเนี่ยหลุดวิปัสสนาหลุดนะกิเลสมันไม่ยอม ง, ง่ายๆหรอก โดยเฉพาะกิเลสทุกคนถูกฝึกมาแล้วเรื่องายเรียนรู้ต้องเป็นคนายเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ทุกเรื่องอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็คิดเอกเอ๊ะทำไมมันมันเกิดขึ้นทำไมเพราะอะไรเห็นไมแล้วก็โดนมันหลอกให้เราดูดออกจากการเจริญวิปัสนาเจริญโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วคุ้นเคยภาษานะเฮ้ยเจริญมันต้องมีการกระทาสิถูกแล้ว มีการกระทำโดยนอนอยู่เฉยๆนั่นแหละทำแล้วนะถ้ามีความคิดอยู่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนามันเป็นการทำลายวิปัสสนานะต่กี้เลียดแล้วมันจะหลอกมันขุนเขยว่าเจริญต้องมีการกระทำสิกำหนดรู้สิพิจารณาสินะมันจะมีข้ออ้างนะ ปฏิบัติธรรมนะการกระทาตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลส เ, เรามีหน้าที่อยู่ในท่านอนนะสมมติว่าเราแสดงเราเราเป็นนักแสดงเรากำลังแสดงท่านอนอยู่หน้าที่เราก็คือนอนแล้วก็นอนเฉยๆเห็นไหมเราก็ตั้งมั่นกับหน้าที่เรา เดี๋ยวมันจะมีกาลังนะจิตมีกาลังปุ๊บเนี่ยนะมันจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดขึ้นเห็นแล้วก็ไม่พังเผยอย่างยิ่งไปคิดต่อนะเห็นนิมิตต่างๆก็ช่างก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณามันคืออะไรถ้าพิจารณาคืออะไรปุ๊บเรามีความอยากรู้อยากเห็นแล้วเห็นไหม เราสนองความอยากแล้กิเลสมันก็หัวเราะมันดอกเราได้ล้วกิเลสไม่ต้องไปตั้งใจสู้กับเขานะยาวความคิดที่ไปสู้กับเขาความคิดก็คือกิเลสนั่นแหละอย่าไปเล่นเกมเขานะแค่เราถอยมาเป็นธรรมชาติทําอะไรตามธรรมชาติมีหน้าที่เดินก็เดินมีหน้าที่นั่งก็นั่งมีหน้าที่นอนก็นอนเห็น ไ, ไหม